สูตรที่ว่าได้โดยยากบุคคลหาได้ยากสามจำพวกคือหนึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งอันนี้เราไม่สงสัยสองบุคคลผู้แสดงพระธรรมวินัยที่พระตถาคตแสดงแล้วหนึ่งใช่ไหมครับถ้าหากว่าเป็นผู้ที่แสดงพระธรรมวินัยที่พระตถาคตแสดงแล้วเนี่ยแสดงว่า แสดงถูกต้องตามที่พัฒถาคดแสดงใช่ไหมครับถูกต้องตามแนวนั้นนี่อย่างนี้ก็หายากสามบุคคลผู้กระตันอยูก่กตะเวทีหนึ่งมอันนี้ไม่น่าเลยเนาะมันไม่น่าจะหายากนะแต่ดูๆแล้วนี่นะครับบุคคลที่สามนี้จะเป็นเครื่องสอนเราอย่างดีครับผมเ จ, เจอสูตรนี้ใี่จดไวเพราะว่าเพื่อเป็นการเตือน เป็นการเตือนตัวด้วยนะครับนะเพราะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตอยู่แล้วเราไปเจอคนอย่างนี้นะฮะเราต้องไม่ไม่หวั่นไหวเพราะว่าพราะพุทภภพทรงตรัสว่าหายากผมจึงจดไว้นะครับคือบุคคลที่กตันยูกัตะเวทีนี่ฟังๆดูแล้วมันน่าจะเยอะแยะแต่หายากนะครับก็มีมีบุคคลสามจำพวกนี้นะครับ ท่านจะวิจารณ์ยังไงบ้างครับคือข้อหนึ่งข้อสองนี่เราจะเรียนกันต่อไปส่วนข้อสามนี้คำว่ากตันยูแปลว่ากรตะแปลว่าแล้วยูก็คือรู้อะอะไรแล้วไปแล้วอะก็คือสิ่งที่เขาได้กระทำไปแล้วเนี่ยเรารู้คุณเขาไหมก็คือการรู้คุณของผู้ที่มีอุปการะคุณ การที่บุคคลสำนึกในคุณเนี่ยเป็นของที่หายากก็คือเหมือนกับว่าชีวิตที่เรามีอยู่กันนี้เนี่ยถามว่ามีใครบ้างเขาเขาช่วยหรืออะไรเราบ้างเนี่ยเราเคยคิดไหมชีวิตตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยใครบ้างเป็นผู้มีคุณกับเราเราเคยนึกไหมถามว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยสมมตินับตั้งแต่พ่อแม่พ่อแม่มีบุญคุณกับเราอย่างไง เรารู้ไหมเสร็จแล้วพี่น้องญาติจนถึงประเทศชาติเป็นต้นเนี่ยนะเอาแบบรวมหมดเลยเนี่ยเขาเหล่านั้นที่เขาทำเพื่อเราอะทั้งทางตรงทั้งทา ง, ทงอ้อมเนี่ยเราคิดในแง่นี้ไหมถ้าเราคิดก็ถือว่าเป็นคนที่หายาดนะที่ที่เราคิดถึงคุณของเขาอะเพราะว่านึกถึงสูตรของภาษาบุตธนะภาษาบุตรนี่แม้แต่ราพระพรามเนี่ยตักบาดครั้งเดียว ท่านคิดถึงคุณของราธาพระเสร็จแล้วกระตะเวทีกระตะเวทีนี้แปลว่าการตอบแทนนะการตอบแทนในบุคคลที่ในบุพการีรู้คุณกับตอบแทนคุณเนี่ยรู้คุณบางคนก็ยังไม่มีโอกาสตอบแทนขนาดในบรรดาคนรู้คุณสักสิบคนเนี่ยที่จะตอบแทนได้ไม่กี่คน น, นั่นแหละ ในบรรดาคนที่รู้คุณอันกระตันยูกระตะเวทีบุคคลจึงเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลก <c oughs> พูดถึงว่าการระลึกถึงคุณของผู้อื่นนะครับที่เด่นเดนก็คือพร่อแม่ครูบาอาจารย์นี่นะครับแต่นอกจากเหนือจากนี้ก็มีแล้วก็เวลาเราสวดมนต์เราทำบุญแล้วเราก็ อ, อุทิศสุขศนนะครับแล้วก็นึกถึง นะเคยนึกถึงไล่มาเลื่อยเลยนะตั้งแต่พูดมีพระคุณมากน้อยอะไรนี่นะครับง่ายกว่ากตเวทีเพราะว่าการที่เราจะตอบแทนผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยโอกาสไม่ง่ายนะครับโอกาสมีไม่มากนะักเช่นถ้านอาจจะเสียไปแล้วก็ได้นะครับหรือว่าระยะทางก็ดีเวลาก็ดีก็ไม่อำานยให้ตอบนะครับถึงเวลาระยะทางก็ไม่มีอุปสรรคเวลาก็ไม่มีอุปสรรคปัจจัยมีอุปสรรคซี หลายอย่างนะครับสรุปแล้วกระเวทีรู้สึกว่าจะยากกว่าย า, ยากกว่า<อ>กตันยูแต่กระ ต, ต, ตันยูนี่ ก, ก็นับว่าคนที่คิดกระตันยูนี่ค่อนข้างจะยากแล้วเราจึงจะมีความรู้ความเข้าใจในคําสอนอันการช่วยเหลือแล้วก็โอกาสไหนที่เราพอจะช่วยเหลือเขาได้บ้างและขณะเดียวกันการช่วยเหลือนั้นต้องไม่มีโทษ ด, ด้วยแล้วก็เป็นไปตามธรรมด้วยต้องถูกสอดคล้องกับธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่ง อย่างน้อยๆในมงค ล, ละสูตรก็ให้มันได้สักมงคลก็ยังดีแต่ไม่ใช่ช่วยจนเราเสียสินเสียธรรมอีกก็ไม่ใช่นั่นแหละต้องอยู่ในในขอบเขตในการประพฤติธรรมของเราอยู่สูตรนี้เตือนให้เราเวลาเราเราทำคุณกับใครนี่นะทำบุญกับใครทาคุณกับใครช่วยเหลือกับใครนี่ ก็อย่าได้หวังผลตอบแทนเลยเพราะว่าบุคคลเช่นนั้นหาได้ยากในโลกะนะับทีนี้ตอนหลังนั้นการที่เราทำคุณกับคนอื่นนี่เราเราต้องไม่คิดว่าเราทําคุณกับคนอื่นต้องคิดว่าเราพอจะช่วยเหลืออะไรใครได้บ้างอันเมื่อช่วยเหลือเสร็จแล้วก็เราต้องการช่วยนะไม่ได้ต้องการให้เขาขอบคุณต้องคิดว่าเราต้องการแค่ช่วยเราต้องการเอาบุญเฉพาะขณะช่วยพอ หลังจากนั้นแล้วไม่ใช่หน้าที่ของเราเหมือนกับการปลูกต้นไม้นะหน้าที่ของเรารดน้ำพรวนดินแต่ไม่ได้ทำหน้าที่ให้ดอกออกผลทีนี้เราก็ต้องคอยว่าเขาจะออกดอกออกผลไหมถ้าเราอยากให้ออกดอกออกผลเราก็ต้องดูวิธีที่รดน้ำพรวนดินให้ถูกวิธีบางคนเนี่ยรดน้ำพรวนดินปลูกต้นไม้ไม่ถูกใช่ไหมขยันจงังรดน้าจนเฉาตายอย่างเงี้ย เสร็จแล้วบอกต้นไม้ต้นนี้ไม่มีบุญคุณเล ย, ยงั้นไม่ออกลูกฉันใดก็ดีคนที่ช่วยอุปการะคุณคนก็เหมือนกันบางทีช่วยจนเขาสำลักก็บอะว่าคนไหนที่เราสร้างอุปการะคุณเขาจนเกินไปคนนั้นแหละจะกลับมามาเล่นงานเราหนังสือบางเล่มเขาว่ายอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเราช่วยไม่เป็นไม่ใช่ว่าเขาไม่ดำนึกไปบุญคุณคือแค่ว่าช่วยจนเขาไม่เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละทีนี้เขาก็ บางทีก็ทำให้เขาคิดเป็นอื่นไปได้ฮะในเรื่องของการช่วยเหลือคนนั้นก็ต้องศึกษามันมีศิละปะในการช่วยคนเหมือนกันถ้าไม่อย่างนั้นนะก็เหมือนกับคนที่เลี้ยงลูกเอาคุณอะเสร็จ แ, แล้วพอเลี้ยงไปแล้วก็โอ้ยลูกไม่ดีเลยไม่เคยตอบแทนบุญคุณเลยอะเลี้ยงมาตั้งแัข่ขาเท่าฟ้าหอยอย่างเงี้ยก็ลีวงอยู่ทุกวันอย่างนั้นอะลูกที่เก่งๆจริงๆอะลูกกลับเนี่ย กับไม่คิดจะตอบแทนเลยนะถ้ายิ่งพ่อแม่พูยในลักษณะนั้นเนี่ยยิ่งห่างไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆยิ่งทวงมากยิ่งไปจากจากบทเรียนอันนี้ก็ทำให้เราคิดว่าการทำคุณกับคนนั้นไม่ได้ทำในลักษณะเพื่อหวังผลแต่ต้องเป็นการช่วยเหลือเขาให้เขาเอาตัวรอดเข า, เขาได้ให้เขามีความสุขความเจริญเข้าไปนะว่าด้วยสารนคม สารณาคมนั้นได้แก่จิตตุบาที่มีคูณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์การที่มีพุทธคุณก็คือคําว่าอิติปิโสเป็นต้นนั้นเป็นอารมณ์จิตที่คิดถึงลายลักษณะนั้นแล้วก็เป็นจิตที่เอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็น สาระเป็นที่พึ่งเป็นที่ไปในเบื้องหน้าจิตลักษณะนั้นเป็นจิตที่ถึงไตรสารณคมทีนี้จิตที่ถึงไตรสารณคมเนี่ยแบ่งออกเป็นสองอย่างด้วยกันก็คือโลกิยะสารณคมและโลกุตระสารณคมในสองอย่างนั้นโลกุตระสรณคมโดยอารมณ์เป็นสารณคมมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แสดงว่าในขณะที่มัคจิตเกิดขึ้น ขณะนั้นชื่อว่าถึงโลกุตระสารณคมชื่อว่าถึงสารณคมอย่างสูงสุดถึงสารณคมอย่างแท้เลยอะ่ะก็คือขณะที่มีพระนิพานเป็นอารมณ์น่ะเพราะขณะนั้นชื่อว่ามีพระธรรมเป็นสาระใช่ไหมที่จริงนะพระพูดพระธรรมพระสงฆ์บางทีก็ต่างกันโดยโดยพยัญชนะเท่านั้นเองนะเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ที่ชี้ ท่านิพานเพราะฉนั้นผู้ที่เข้าถึงพระนิพานจริงๆนั้นจึงเป็นผู้ที่มีอาจารสาัสสัทธาเป็นสัทธาที่ไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวในพระธรรมไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์เพราะเข้าถึงอันนั้นแล้วใช่ไหมไม่ต้องเชื่อแล้วคือคือเชื่อแบบธรรมดานี่ไม่ต้องมีแต่มีแต่ความมั่นคงอย่างเดียวโดยกิจเมื่อกี้โดยอารมณ์ได้แก่นิพานโดยกิจย่อมสําเร็จ เพราะพระตัตนะไตรแม้ทั้งสิ้นแก่ผู้เห็นสัจจะแลว้วด้วยการถึงสระณะและการตัดขาดอุปกิเลสในขณะแห่งมรคนะขณะที่เห็นสัจจะนั้นแพงตลอดอริยสัจขนาดไหนก็ถึงสระณะเท่านั้นแหล ะ, ะตรงนี้ทําให้ได้คติอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องอริยสัจขนาดไหนเราจะเข้าใจ สารณาคมเท่านั้นแหละถึงอริยสัจขนาดไหนบรรลุอริยสัจขนาดไหนก็ถึงสารณาคมขนาดนั้นเพราะผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจคือผู้ที่ตรัสรู้และแสดงอริยสัจก็คือพระพุทธเจ้าตัวอริยสัจนั่นแหละคือพระธรรมผู้ที่ปฏิบัติได้แทงตลอดตามพระพุทธเจ้านั่นแหละคือพระสงฆ์ดันั้นเราเข้าใจในเรื่องอริยสัจขนาดไหนก็เืียว่าเข้าใจเรื่อง พรรตนาตราขนาดนั้นแหละนะถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องอริยสัจน้อยมากเราก็ถึงพระพุทธศาสนาหรือว่าถึงไตราสรารณคมก็น้อยมากตามนั้นแหละแล้วก็ส่วนที่เป็นโลกุตราสรารณคมนั้นมุ่งเอาไปที่การละกิเลสได้เนาะเพราะว่าถ้าโสดาปติมมะเกิดขึ้นนั้นละพวกอุปกิเลสเช่นโลภะ โลผ้าทิถิกะตะสัมปยุตตจิตเนี่ยนะไอ้โลผ้าที่เกิดร่วมกับทิถิกตะสัมปยุตสดวงเนี่ยท่านละเด็ดขาดเลยอ่าโลผ้าอีกสี่ดวงที่เหลือท่านที่พาไปอบายเนี่ยนะเป็นเหตุไปสู่อบายโลผ้าชนิดนั้นเนี่ยพระโสดาบันไม่มีแล้วแล้วก็โทสะที่เป็นเหตุให้ไปสู่อบายก็ละได้แล้วในคำภีร์ยังไม่พบว่าพระโสดาบันเนี่ยไปโกรธไปพยาบาทนี่ไม่มีมีแต่ว่า โทสะของท่านก็คือร้องไห้เมื่อลูกตายหลานตายอย่างเงี้ยมีอนาถาบินทิกาเศรษฐีเนี่ยร้องไห้พ่ะลูกตายนางวิสาขาร้องไห้พ่ะหลานตายนี่ก็โทสะแต่ว่าโทสะในลักษณะไปคิดเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยยังไม่พบว่ามีตรงไหนแต่มีลักษณะโทสะแบบเสียใจนั่นแหละส่วนวิจิกิจชาเนี่ยความสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงค์ผู้แทงตลอดอริยสัตว์เนี่ยไม่มีแล้ว แต่ว่าท่านจะรู้ว่าใครเป็นพระอริยะหรือไม่อริยะด้วยกันนะก็บอกว่าถ้าถ้าท่านไม่ได้อภินยาจะรู้ได้ด้วยการสนทนากันว่าใครเป็นพระอริยะหรือไม่เป็นสนทนากันแล้วจึงรู้นั่นแหละแต่ถ้าหากว่าคนที่มีคุณธรรมสูงกว่านะผู้ที่มีคุณธรรมต่ ำ, ตำกว่าจะไม่รู้ในคุณธรรมที่สูงกว่านะเพราะคนที่รู้เรื่องอริยศสสตว์นะมันมีความเข้าใจจนไม่ได้เข้าใจแบบ ให้คนมาคอยประทับตราให้นะคุณผ่านแล้วจบแล้ววิชานี้คุณจบแล้วไม่เหมือนวิชาอื่นนะเรื่องอริยศาสตร์เนี่ยจะจําคําว่าทุกสมุทัยนิโรธมาอาจักได้ตั้งนานแล้วถ้าจะเอาอย่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหผู้ใดแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคนนั้นเข้าถึงธรรมอนนันตรงนั้นเนี่ยไม่รู้แต่ก็คิดว่ารู้พอเอาเข้าจริงๆนะวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้ก็ยังยอมรับสารภาพเลยว่าเข้าใจในเรื่องปฏิจจสมุปบาทน้อยมาก ในในส่วนตัวเนี่ยยอมรับว่าเข้าใจในเรื่องปฏิจจสมุปบาทน้อยมากเพราะว่าถ้าเข้าใจปฏิจจสมุปบาทจริงๆเนี่ยจะเข้าใจในลักษณะแบบซ้ำ ม, มาที่ถิสุดสมมุติถ้าหากว่าในตัวปฏิจจในองค์ธรรมหนึ่งตัวนี่เราต้องเข้าใจโรคทุกทิศเลยนะมันไม่ใช่แค่จํำชื่อได้ถ้าจํำชื่อได้มันไม่เรียกว่ารู้หรอกนั่นแหละมันต้องมองทุกทิศเลยเช่นเอางี้นะเอาเอ า, เอ า, เอาวิชา ถ้ารู้จักอวิชชาตัวอวิชชาแล้วว่าเขามีบทบาทหน้าที่ของเขาขนาดไหนแล้วต้องรู้ว่าอาวิชชาสมุทัยปัจจัยของอวิชชาคืออะไรใช่ไหมอวิชนานิโรดมันเป็นยังไงอวิชนานิโรธคาเมนีปฏิปทาเป็นยังไงเราก็จําสูตรได้เอาถามว่าตรงนี้เราสามารถพิจารณาเห็นอย่างนั้นเลยไหมเราก็รู้ว่าเราสอบตกอะ่ะนั่นแหละ ถ้าโดยคําเนี่ยเราจําได้ถ้าขอจยอมรับเลยแต่พอเอามาเพ่งจริงๆเนี่ยถ้าหากว่ามีความเข้าใจในเรื่องนั้นดีนะเวลาเพ่งในเรื่องนั้นจะเกิดตีติและปรามโมทแต่ถ้าเราคิดและเฉยแสดงว่าเราก็ก็สมัยก่อนเขาฟังใช่ไหมเขาฟังสูตรหนึ่งจบนะแจมแจ้งนักพระเจ้าข่าแจมแจ้งนักพระเจ้าข่าเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางไอเราว่าเรารู้เรื่องแต่เฉยจะว่ารู้มันก็ไม่แน่ใจเพราะมหาคุศลมีโสมนัสกับ อุเบกขาทีนี้ว่าเอาจะถ้าเป็นกุศลก็อุเบกขาดวงที่แปดลมั้งเต็มทีอ่ะนั่นแหละแต่ก็พอเห็นลักษณะนี้ทำให้เราเรามีศรัทธาที่จะศึกษาของท่านต่อไปว่าเราอาจจะจำชื่อได้เฉยๆแต่ก็ไม่ใช่แปลว่าเข้าใจทีนี้สังขารเหมือนกันสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณเนี่ยตัวสังขารถ้าเราเข้าใจจริงๆนะเราต้องรู้เรื่องมหากุศลอย่างละเอียด รู้เรื่องอากุศลละจิตอย่างละเอียดเสมอถ้ารู้มหากุศลจริงๆเอ้ามหากุศลมีเจตสิกประกอบเท่าไหร่ชักชักยุ่งแล้วนะถ้าคนไม่ได้ท่องมานี่ชักฝืดแล้วใช่ไ้มไม่เกินสาสิบแดลทีนี้ถามว่าอโลพะหรือว่าสติเจตสิกที่เกิดร่วมกับมหากุศลเกิดด้วยปัจจัยเท่าไหร่นั่นแหละปัญญาเจตสิกที่เกิดร่วมกับมหากุศลเนี่ยเกิดด้วยปัจจัยเท่าไหร่ ปีติเจตสิกที่เกิดร่วมกับมหากุศลเกิดด้วยปัจจัยเท่าไหรสมมติว่าศรัทธาเจตสิกเกิดด้วยที่เกิดร่วมกับมหากุศลเนี่ยเกิดด้วยปัจจัยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจมหากุศลจริจงๆจะต้องเข้าใจในเรื่องศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาที่อยู่ในนั้นอย่างดีด้วยเพะั้นคนที่รู้เรื่องมหากุศลดีคนนั้นต้องได้โคตรภูญานนะหมักเพราะมหากุศลจิตจะเกิดอยู่ได้ในชั้นสูงสุดของมหากุศลก็คือ โคตพูญาณใช่ไหมและมหากุศลจิตเนี่ยนะเกิดก่อนอนอุเกิดก่อนสมมุติว่าในฌานวิถีเนี่ยท่านก็เป็นจิตที่ก่อนจะเข้าฌานนั้นมหากุศลจิตเป็นไปกับเมตตาเป็นไปกับอนุสติสิบเป็นไปกับกุศลในชั้นอื่นๆอีกทีนี้ถ้าเราเข้าใจต้องอเจตนาที่เกิดร่วมกับมหากุศลเนี่ยให้ผลอย่างไรให้ผลเมื่อไร่ให้ผลขณะไหน นั่นแหละเราต้องสามารถวิเคราะห์มองเข้าใจในเรื่องนี้ได้แล้วทำไมอวิชชาจึงเป็นปัจจัยแก่มหากุสลเราต้องเข้าใจชัดในเรื่องนี้อวอิสังขารสังขารสมุทัยสังขาร น, นิโรธถ้าหากว่าระ ง, งับถ้าว่าถึงที่สุดแห่งสังขารเนี่ยมันเป็นยังไงข้อปฏิบัติที่ทำให้รู้แจ้งสังขารจริงๆเนี่ยคืออะไรเราต้องเข้าใจให้ตลอดนะจึงจะเข้าใจคาว่าสังขารดี ทีนี้อสังขารกับวิชามาต่อกันเข้ามันเป็นลักษณะไหนต้องมองออกทุกแง่มุมนะอ ถ, ถ้าท่องได้เฉยๆนี่โอ้ท่องได้แต่กั็เป็นเนนละงั้นก็ถือว่าเก่งมาตั้งเกือบไม่ใช่เกือบสิบกว่าปีละถ้าเอาแค่นั้นพอซักเอาแง่มุมต่างๆนะให้เรามาถามเราเองปั๊บเนี่ยนะเราไม่สามารถตอบได้ทีนี้ตอบได้ปุ๊บเนี่ยถามว่ามันอยู่ส่วนไหนไอที่ว่าของตัวเราเนี่ยแล้วต้องมองให้ออกทุกแง่ทุกมุม เห็นถึงความพอพอเราทําในระดับขณะนี้เข้ายอมรับว่าโง่พอพอถามทุกแง่ทุกมุมปุ๊บเนี่ยนะเออเราคิดว่าเรารู้ใฉยๆแต่จริงๆทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้รู้อะไรเลยก็ก็ทําให้อ้มานะเนี่ยรู้สึกมันลดห้วบไปเลยนะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตําหนิใครเลยใครหน้าตําหนิเนี่ยไ ม, ไม่ไม่รู้สึกมีเลยเพราะเขาก็ไม่ต่างอะไรจากเราเท่าไหร่หรอกมันน่าเห็นใจพอๆกันนั่นแหละ นี่ทำให้เห็นว่าโอ้โหในส่วนที่เป็นโลกุตระสารณาคมนั้นน่ะถ้าหากว่าเราไม่ไม่ไม่ไมควนขวายที่จะศึกษาให้เข้าใจในเรื่องอริยสัจจริงๆแล้วเนี่ยเราจะห่างมากอริยสัจเนี่ยปุตุชนไม่เคยฝันมาได้บรรลุเป็นเรื่องที่ปุตุชนไม่เคยได้โดยที่สุดแม้แต่ความฝันมันเป็นเรื่องที่ที่ลึกซึ้งอ่ะถ้าเรื่องลึกซึ้งขนาดนี้คิดดูนะมันต้องใช้เวลาบําเพ็ญบารมีมานานขนาดไหนจึงจะได้บรรลุสิ่งเหล่านี้เพราะ เอานี้นะถามว่าวันนี้เนี่ยโยมพิจารณาขันห้ากี่ครั้งสัมมาทิฐิอยู่ที่ไหนก็มีขันห้าแต่ว่าการพิจารณาขันห้าจริงๆเราอ่อนมากนะนี่ที่มานั่งอยู่นี่เนี่ยมียาตะปริญญาหรือเปล่าได้ไหมยาตะปริญญาโอ้โหนี่เนะเป็นสมุตินะนี่คือรูปารมรูปารมนี้มีกรรมเป็นสมุทฐาน มีจิตเป็นปัจจัยมีอุตุเป็นปัจจัยโอสภาพจิตอย่างนี้นะเป็นกุศลจิตกุศลจิตเนี่ยมาจากปัจจัยแบบนี้แบบนี้เนะี่ยมีการวิเคราะห์ไหมส่ว น, นใหญ่มันเป็นอ ก, กุศลเกือบหมดเลยนั้นก็เรียนหากุศลให้มันได้เยอะๆก่อนแล้วค่อยมองอีกครั้งหนึ่งว่าโอที่ผ่านมาเนี่ยมันมืดตลอดเลยนั้นเขาจึงใช้คําว่าอันทะปุตุชนไงถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษาคําสอนไม่เข้าใจเลยเนี่ยพระพุทธพจน์ใช้คําว่าอันทะปุตุชนปุตุชนผู้ อันธาปแปล ว, ว่าบอดปูถูปแปล ว, ว่าหนาชนก็คือผู้ที่สั่งสมกรรมและกิเลสนั่นแหละผู้ที่สั่งสมกรรมและกิเลสหนาด้วยบอดด้วยทันที่สุดแห่งวัฏฏะของเขาเนี่ยไม่ต้องไปถามว่ามันที่ไหนเพราะนั้นเดี๋ยวฟังเดี๋ยวตอนหลังจะเอาเรื่องเกี่ยวพับสูตรว่าปูตุชนกับพระโสดาบันเนี่ยมันห่างกันมากมายมหาศาล ความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่ได้โลกุต ร, สระสารนคมและเขาจะเป็นยังไง น, นข้อความในถาปฏิสูตรสังยุตติกายมหาวรวัตสาวตถีนิทานก็โดยสมัยนั้นภิกษุมากโูปกระทาจีวนกรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีจีวนสำเร็จแล้วจักเสดจจาริกไปโดยล่วงสามเดือนแสดงว่าออก า, าละ พระเตรียมจะจาริกกันก็ในสมัยนั้นช่างไม้ผู้เป็นพระสกะทาคามีมาก่อนคือเขาเป็นพระอริยะแล้วนะมีชื่อว่าอิสิท ต, ตะอยู่อาศัยในหมู่บ้านสวยด้วยกรณียกิจบางอย่างพวกเขาได้ฟังข่าวว่าภิกษุมากรูปกระทาจีวรกรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคิดว่า พระผู้มีพระภาคเจ้ามีจีวรสําเร็จแล้วจะเสด็จจาริกไปโดยล่วงสามเดือนจึงวางบุรุษไว้ในหนทางโดยสั่งว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญท่านเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันต์ตัมมาสามพุทธเจ้าเสด็จมาในเวลาใดพึงบอกเราในเวลานั้น บุรุษนั้นอยู่มาได้สองสาวันได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลจึงเข้าไปหาพวกช่างไม้แล้วได้บอกว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากําลังเสด็จมาขอท่านทั้งหลายจงทราบการอันควรในบัดนี้เถิดครั้งนั้นพวกช่างไม้ผู้เป็นพระสกะทาคามีมาก่อนนามว่าอิสิทตะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปเบื้องข้างพระปริสดางเดินตามหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแวะจากถนนทางเสด็จเข้าไปยังโคนไม้แห่งหนึ่งแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดถวายพวกช่างไม้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งนะช่างไม้นะอาชีพถ้าพวกเราก็เรียก คล้ายๆกับกรรมกรเนาะตีตอกตะปูโป้งเป้งม่ว ง, งเป้งวันๆอ่นนะเนาะช่างไม้ครั้แล้วได้กราบทูลว่าช่างไม้นะว่าข่าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลาใดข่าพระองค์ทั้งหลายได้ฟังข่าวพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าจากเสด็จจาริกจากกรุงสาวัตถีไปในโกศลชนบทเวลานั้นข่าพระองค์ทั้งหลายมีความเสียใจน้อยใจว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าจักเสด็จห่างเราทั้งหลายไปเวลาใดได้ฟังข่าวพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเสด็จจาริกจากกรุงสาวัตถีไปในโกศลชนบทแล้วเวลานั้นข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเสียใจน้อยใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จห่างจากเราไปแล้วนี่นสมัยก่อนน ะ, ะผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าเนี่ยแค่ฟังข่าวมานี่ก็ทุกข์แล้วนะว่าผู้เจ้าจะจาริกใช่ไหตอนจาริกอีกก็ทุกข์อีก ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเวลาใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ฟังข่าวพระผู้ม hmm ีพระภาคเจ้าว่าจักเสด็จจาริกจากโกศนชนบทไปยังแคว้นมลละเวลานั้นข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเสียใจน้อยใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็ห่างเราทั้งหลายไปเวลาใดได้ฟังข่าวพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเสด็จจาริกจากโกศลชนบทไปแคว้นมลละแล้ว เวลานั้นข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเสียใจน้อยใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จห่างเราทั้งหลายไปแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลาใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ฟังข่าวพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าจากเสด็จจาริกจากแคว้นมลละไปยังแคว้นวัดฉีเวลานั้นข้าพระองค์ทั้งหลายมีความน้อยใจเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จห่างเราทั้งหลายไป เวลาใดได้ฟังข่าวพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกจากแคว้นมลละไปยังแคว้นวัชชีเวลานั้นข่าพระองค์ทั้งหลายมีความเสียใจน้อยใจพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จห่างเราทั้งหลายไปแล้วก็คือจากพระองค์นี้ก็จ ะ, สะเสด็จออกไปเรื่อยๆใช่ไหมจากเมืองสาวัตถีไปในโกศลชนบทจากโกศลชนบทไปยังแคว้นมลละจากแคว้นมลละไปยังแคว้นวัดชีจากแคว้นวัดชีไปยังแคว้นกาสีจากแคว้นกาศีก็ไป มคตทีนี้ถ้าได้ข่าวว่าโหจากแคว้นกาสีไปถึงมคตแล้วอ่โหไปคนละอินเดียนี่มันกว้า ง, างใหญ่ไพศาลเนาะ ح, ห่างไปเรื่อย ๆ, ๆในชักใจเนี่ยวิวๆละข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เวลาใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ฟังข่าวพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าจากเสด็จจาริกจากแคว้นมคตมายังแคว้นกาสีเวลานั้นข้าพระองค์ทั้งหลายมีความดีใจ ปลื้มใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจักเสด็จใกล้เราทั้งหลายมาเวลาใดได้ฟังข่าวพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเสด็จจาริกจากแคว้นมคธมายังแคว้นกาสีเวลานั้นข้าพระองค์ทั้งหลายมีความดีใจปราบปลื้มใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเราทั้งหลายเข้ามาแล้วใช่ไหมจากแคว้นมคธมายังแคว้นกาสีเนี่ยแค่ฟังข่าวนี้ก็ปลื้มตอนเสด็จมาอีกก็ปลื้มใจอีก แล้วก็จากแคว้นกาสีมายังเคว้นวัชีก็ปลื้มใจจากแคว้นวัชีมายังเคว้นมัลละก็ปลื้มใจจากแคว้นมัลละมายังเคว้นโกศนก็ปลื้มใจอีกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เวลาใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ฟังข่าวพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าจากเสด็จจากแคว้นโกสนมายังกรุงสาวัตถีเวลานั้นข้าพระองค์ทั้งหลายมีความดีใจปลื้มใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า จกใกล้เราทั้งหลายเข้ามาเวลาใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ฟังข่าวพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินธิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีในเวลานั้นข้าพระองค์ทั้งหลายมีความดีใจปลื้มใจเป็นอันมากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าใกล้เราทั้งหลายแลว้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนช่างไม้ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละ คาราวาดคับแคบเป็นทางมาแห่งทุรีบรรประชาเนี่ยปลอดโปรง่งท่านทั้งหลายควรไม่ประมาทนายช่างไม้ก็กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญความคับแคบอย่างอื่นที่เป็นคับแคบกว่าและที่นับว่าคับแคบยิ่งกว่าคับแคบนี้มีอยู่หรือนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูก่อนช่างไม้ทั้งหลายก็ความคับแคบอย่างอื่นที่เป็นคับแคบกว่าและที่นับว่าเป็นความคับแคบอย่างยิ่งกว่าคับแคบนี้เป็นไงนะช่างไม้ก็บอกมันมีไอ้ที่มันคับมันแคบยิ่งกว่านั้นอีกเป็นค่าวว่านี่ก็ถือว่าคับแคบแล้วนะในส่วนที่คับแคบมันมีกว่านั้นอีกลองด่าวดูอะไรที่มันคับแคบที่สุดเลยนะยิ่งกว่าคับแคบอีกนะมันแคบยิ่งกว่าแคบอีกคืออะไร ช่างไม้ก็กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาดเมื่อใดพระเจ้าเประเสันที่โกศลมีพระราชประสงค์จะเสด็จไปยังพระราชจุทยานคือเขาเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นอมตะคนสนิทของพระเจ้าเประเสันที่โกศลคอยจัดแจงการงานทั้งหมดนะเขบอกว่ามันมีเรื่องที่คับแคบยิ่งกว่าคับแคบอีกนะข้าพระองค์ทั้งหลายจักต้องกําหนดช้างที่ขึ้นทรงของพระเจ้าเประสันที่โกศล แล้วให้พระฉายาที่เป็นที่โปรดปรานเป็นที่พอพระราชหาลุไยของพระเจ้าปเสนที่โกศลประทับข้างหน้าพระองค์หนึ่งข้างหลังพระองค์หนึ่งกลิ่นของฉ า, ายาเหล่านั้นเป็นอย่างนี้คือเหมือนกลิ่นของนางราชกัญญาผู้ประปรมด้วยของหอมดังขวดน้ำหอมที่เขาเปิดในขณะนั้น กายสัมผัสของพระฉายาเหล่านั้นเป็นอย่างนี้คือเหมือนกายสัมผัสของนางราชกัญญาผู้ดํารงอยู่ด้วยความสุขดังปุยนุ่นหรือปุยไฟก็ในสมัยนั้นแม้ช้างฆ่าพระองค์ทั้งหลายก็ต้องระวังแม้พระฉายาทั้งหลายฆ่าพระองค์ก็ต้องระวังแม้พระเจ้าประเสนที่โกศลเล่าฆ่าพระองค์ก็จะต้องคอยระวังเหมงอนั้นนี่มันแคบยิ่งกว่าแคบอีกเหมืนั้นอู้มันทุกที่ต้องไปคอยดูแลทุกอย่างอ่ะนะ พวกเจ้าหน้าที่ราชพักรพเนี่ยคอยดูแลทุกอย่างเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายไม่รู้สึกว่าจิตอันลา ม, มกเกิดขึ้นในพระฉายาเหล่านั้นเลยไม่คิดเป็นอื่นเลยนะข้อนี้แลคือความคับแคบยิ่งอื่นคำคับแคบอย่างอื่นที่เป็นคำคับแคบกว่าและที่นับว่าความคับแคบอย่างยิ่งกว่าความคับแคบนี้มันแคบยิ่งกว่าคารวะธรรมดาอย่งนั้น แล้วถ้าหาว่าไปเหละมองเป็นอื่นเนี่ยถามว่าสมมุตินะแค่แค่มองบ่อยมองสักสองสามครั้งเนี่ยคนอื่นเขาระแวงแล้วนะไอคนนี้คิดไม่ดีกับพระเมเหสีหรือเปล่าเดี๋ยวถูกตัดหัวง่ายง่ากันนะแค่ลืมตามองแค่เฉยยั ง, ย, งยังจะมีความผิดเหมือนกันนะยิ่งกษัตริย์สมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้นี่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนช่างไม้ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละคารวาจึงคับแคบเป็นทางมาแห่งธุรีบรรประชาปลอดโปรง่ง ก็ท่านทั้งหลายไม่ควรประมาทแล้วพูดถึงความครอบแคบพวกผมนี่ก็ครอบแคบไปเหมือนกันนะเจนทรนไม่ไม่ไมแคบไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันครับบางคนแคบจนกระทั่งมาไม่ได้อ่ะเอะบางคนบางคนก็แคบน้อยหน่อยก็มาได้บ่อยเจนทรนใช่ไหมฮะบางคนก็ครอบแคบบ้างหน่อยก็มาบ้างไม่มาบ้างตัวอย่างมีเยอะแยะ มันแคบจริงๆนะครับมันแคบคิดว่าเพียงแต่ว่าจะมาฟังธรรมมันก็แคบเสียแล้วยยังมาากอย่าไปคิดว่ามันแคบเราจะมาเจริญหมัดอารยสัตว์เลยครับนะพรกลับไปมันก็ได้ยินทีวีแล้วอ่ะก็คิดดูนะกว่าจะแหวกมาฟังธรรมได้นี่มาไม่ง่ายนะปันหายากนะ